สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเรารายการของเรานะคะวันพุธรหัสประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งทางไทยทีวีสีช่องสามค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าชีวิตของคนเรานั้นออมีความทุกข์มากมายนะคะแต่ละคนเราก็มีวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆกันไปกรรมฐานเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะน้อมนําเข้ามา แก้ปัญหาของเราได้หลายคนที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วสามารถจะรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองได้ในขณะที่อีกหลายคนสำหรับคนค น, คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะ ใช้กรรมฐานในการที่ทําให้มีความจําดีขึ้นนะคะเล่าเรียนได้ประสบผลสําเร็จดีขึ้นคนที่ทํางานนะคะก็เมื่อหันมาปฏิบัติกรรมฐานก็จะพบว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้นวันนี้เรานิมนต์พระเดชพระคุณพระราชานิพนธ์มงคลหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีมาพบกับท่านผู้ชมในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกเป็นบุญคุณอย่างยิ่งนะคะที่หลวงพ่อกรุณา ให้เวลากับเราหลวงพ่อขานมรส ก, การ<ฮ>ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกรรมฐานจะแก้กรรมได้อย่างไรคะ่ะอยากจะนมัส ก, การเรียนถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานมีความหมายว่าอย่างไรค ะ, อะขออาจารย์พรกรรมฐานบางคนไม่เข้าใจเยอะคําว่ากรรมต้องแปล ก, ก่ลอนกรลรมแปลว่าการกระทําค่ะฐานตัวนี้แปลว่าถอฐาน ยึดเหนียวโจทย์ป่งหมายในงานของเขาเรียกกรรมฐานแปลว่าสภาพหน้าที่การงาน <Okay. S 2> จึงเรียกว่ากรรมฐานแปลให้เด็กเข้าใจค่ะ <Okay. S 2> อย่าไปแปลสูงเพราะกรรมฐานสรุปใจความเนี่ยสภาพของชีวิตยอยู่ในหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบค่ะ <Okay. S 2> เรียกว่ากรรมฐานค่ะเนี่ยมีแปลความหมายอย่างนั้น <Okay. S 2> บอกคนไปตีความกรรมฐานไปส่วนนิพพาน <Okay. S 2> น่าจะตีความหมายให้เด็กเข้าใจว่ากรรรม แปลศัพภาษาแปลว่ากรรกระทำฐานตัวนี้ไม่จะทอถุงฐานน ะ, ะถ้าใครทํากรรมฐานแล้วจะฐานะดีะจับจุดงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่รับผิดชอบในชีวิตของเขาเรียวกว่าสภาพชีวิตรวมเรียกว่าหน้าที่การงานทําด้วยความถูกต้องเระ่องงานนั้นก็เป็นงานที่ไม่มีโทษเระ่องงานนั้นสําเร็จไปด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงและ ง, งานสาเร็จนั้นทันต่อเวลาและเหมาะสมเรียกว่ากรรมฐาน แปไอย่างนี้ค่ะหลวงพอขันหลักง่ายๆของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคะ่ะหลวงพ่อจะกรุณาแนะนํำว่ายัางไงคะกรรมฐานวิธีการกรรมฐานต้องพูดให้เข้าใจก่อนคือเขาพูดกันทั่วๆ่วไปกรรมฐานนี่มัเป็นหัวใจกลางขาเขาจะเรียกว่าสามัคกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานาแต่ต้องลงกรรมฐานทั้งนั้นจะเป็นสมัคคีก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่ต้องลงกรรมฐานาคือสภาพชีวิตในหน้าที่การงาน สมถะแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าการศึกษาสแสวงหาความรู้หรืออีกนัยยะหนึ่งเรียกว่าอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะเพื่อการศึกษาความจริงใจไงมาจิตสงบแนละ้วเราจะรู้เหตุการณ์ได้ถึงจะต่อไปวิปัสสนากรรมฐานาว่าวิปัสสนากรรมฐา น, ปนแปลว่าแปลว่าภาวนาให้มันเกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบศึกษาไม่ครบไม่รู้ของจริงเนะี่ย จะไม่เข้าถึงวิปัสนาแน่นอนวิปัสนาแปลว่าศึกษาครบรอบจากธรรมกรรมฐานอุบายวิธีจิตสงบในมาจิตสงบแล้วมันก็เกิดความรู้จริงขึ้นมารู้จริงขึ้นมาก็เกิดขึ้นแปลปลวนแล้วก็ดับไปจึงจะรู้ของจริงปัญญาถึงจะเกิดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานจึงเรียกว่าแก้ปัญหาชีวิตในยี่สุดขอเจริญพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อคะ สำหรับชีวิตประจําวันนะคะสำหรับชีวิตประจําวันของพวกเราเลยเนี่ยนะคะร <พ rica. S 2> เราจะใช้กรรมฐานอย่างไรคะที่จะให้เป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตในประจําวันาการที่ใช้ชีวิตในประจําวันถ้าบัตรกรรมฐานต้องศึกษาก่อนกรรมฐานหน้าที่การงานแล้วก็การหน้าที่การงานที่รับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบแล้วจะไม่มีการงานาในหน้าที่การงานอย่างนั้นรับผิดชอบตรงไหนเราก็ต้องแปลความหมายชั้นสุดคือการพัฒนาจิต การพัฒนาจิตที่จะแก้ปัญหาได้ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตเกิดที่ไหน <Okay. S 1> จิตเป็นอะไรจิตแปลว่าธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์ร <Okay. S 1> ับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานเหมือนเทพประทึกเสียง <Okay. S 1> มันไม่มีตัวตนให้เราไปจับครัมมันได้ <Okay. S 1> เรียกวันนามคือลกูกแปลว่ากายนามแปลว่าจิต <Okay. S 1> แต่คนที่ไม่มีสติสมัมปบัญญัติจะเรียกวันนามมารำไม่ได้ คนเรียกว่านามธรรมมีธรรมะประจําจิตเงี้ยเรียกว่านามธรรมมันจะแก้ปัญหาและรับผิดชอบคนละรับผิดชอบทางไหนที่ว่านานที่การงานหนึ่งอาตมาจะไม่แปรสับบาลี<ะ>จิตเกิดทางตาตาเห็นรูปเกิดจิต<ะ>หูได้ยินเสียงเกิดจิตที่หูกลิ่นจมูกได้กลิ่นเกิดรับผิดชอบที่จมูก<ะ>คือเหมน็นหรือหอม<ะ>จิตมันเกิดที่จมูกแล้วก็ปากลิ้น รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจิตมันก็เกิดมันต้องรับผิดชอบกายช้ำผัาร้อนหนาวอ่อนหรือแข็งที่นั่งลงไปต้องรับผิดชอบนี่ตรงนี้ถึงจะรู้ว่าจิตประจำวันจะแก้ไขปัญหาอย่างไงถ้าหากว่าไม่รู้ตรงนี้เลยพัฒนาไม่ถูกแล้วจะสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตสาภาพชีวิตเป็นอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจกรรมาฐานดีแล้วสามารถจะไปพัฒนาและแก้ปัญหาชีวิตประจำวั น, ป ร, วนประจำบ้านของเราได้เลยตาเห็นรูป ตัวอย่างให้เห็นเห็นปั๊บสตีดีสตีก็กําหนดทรงกระแสจิตที่ตรงหน้าพระส่งออกไปเห็นนี่ลูกนี่ของนี่ไม่เ ก, กะกะถ้าคนมีปัญญาจะต้องเก็บนี่รับผิดชอบตรงนี้ใช้แก้ปัญหาได้แต่จะอิงพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อคะสําหรับกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรคะอ๋อกรรมฐานแก้ใจเนี่ยแก้อย่างไงก็ขอเจริญพรต่อไปค่ะกรรมฐานแปลว่าแก้กรรม กรรมอะไรขอเจริญพรว่ากรรมครั้งอดีตที่ผ่านมาต่อพูดตรงนี้ก่อนจะเข้าใจค่ะคนที่เจริญกรรมมาฐานหนึ่งระลึกชาดสองลูกกอดแห่งกรรมสามแก้ปัญหายัางไงระละึกชาติได้ตรงไหนคนไม่เข้าใจระละึกชาติของตัวเองได้ชาติแปลว่าอะไรชาติคือสีแดงเนี่ยอาตมาจะตีความก่อนเนะี่ยสีแดงคือชาตดสีขาวคือระศาสนาสีน้ำเงินนั่นหนาคือพระมหาจั ก, กรพงศ์ทงใจรงนี้ ยล้วนี้ลรารับผิดชอบในว่ากรรมมาฐานเรามึชชาดยังไงชาดคือตัวเองเรามึชตัวเองได้หรือว่าไม่ได้หมายถึงย้อนไปในอดีตไม่ใช่ค่ะเอานี้เลยอดีตเหมือนกันอดีตที่มาฐานอดีตในชาตินี้ด้วยไอชาตินู้นอย่าเพิ่งไปพูดมันไกลมากเอาที่ให้เห็นก่อนค่ะอดีตชาติของคุณโยมยกตัวอย่างโยอมนั่ต่เป็นเด็กเจริญไวัยชนะสามาหรือเอาที่แล้วมาปีเชียเนี่ย ตัวแเพราะเราชาติช่างนั้นเกิดดับเกิดดับเป็นชาติเป็นภพแล้วก็คุณโยมเนี่ยสมมุติว่ายังไม่มีธรรมะเลยคยังไม่มีธรรมะมาเจริญกรรมฐานมันก็มีธรรมะขึ้นมีสติสัมปชัญญะขึ้นพอมีสติสัมปชัญญะแนบสนิทกันอย่งหัวใจเปิดปัญญาปัญญาก็เลยลึกถึงชาติตัวเองอย่างยกตัวอย่างให้เห็นเมื่อปีที่แล้วนี่เล่นการพนันเมื่อปีที่แล้วนี่ช่ยแชแตกล้านในเดือนออกไปช่ยแชรหมดไม่ได้ดูครอบครัวเลยนะนี่ตรงนี้เราไม่ชาติอย่าง ว่าปีนี้ต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้ขาดต้องเติม<า>เกินต้องตัดเพื่อ<า>ประหยัดเวลานีา่เร ม, มารฐานขาดาก็ไม่ไปเติมเกินก็ไม่ตัด<า>ประหยัดเวลาไม่ได้นี่เรื่อมิชาั่อย่างานี่ชาติทิ้ง<า>แล้วไม่ถึงตัวเองค่ะค<า>อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้ขายทิฏฐิจะได้รับผิดชอบจะได้ประกอบภูทรได้ผลนาเป็นหลักฐานสาคัญตรงนี้สิจุดลุงจุดแหวนจุดตะแคงตั้ง โลกเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เอานุ้งตัวเองละมิชาติชาติคือตัวเองไม่ใช่ชาติคือธงชาติและไม่ใช่ชาติคือหมูสัตว์หรือไม่ใช่ชาติคือประเทศไทยชาตัวนี้หมายถึงตัวเองละมึกชาติว่าปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องประหยัดเป็นข้าวขาดเติมเข้าไปเตินตัดออกละเอาที่ตัดที่เกินเอามาเติมที่มันขาดถึงจะถูกต้องไม่ใช่การมาฐานไปชวานีพามไปบวชที่พามาอย่างนั้นเหรอผิดล่องเลยค่ะนี่ข้อหึ สองร <Okay. S 2> ะมึกอะไรได้ระมึกชาติสองม บ, บลึกถึงบุปการีได้ <Okay. S 2> ถ้าคุณโยมไม่มีธรรมะไม่นึกถึงพ่อแม่เลยขอฝากไว้เลยนะขอยาดโยมทั้งหลายผู้ฟังผู้ชมก็ตามคนเราเด็กเดียว น, นี่ขอตะต่างพ่อแม่เรื่อยถ้ามีธรรมะขึ้นมาถึงจะรู้ขอตะต่างพ่อแม่เรื่อยมีถุกข์ถึงจะคิดถึงแม่ <Okay. S 2> นี่คือชาติบุปการีถ้ามานั่งธรรมะจะร้องไห้คิดถึงแม่นะคิดถึงพ่อนะถึงจะถูกไม่ใช่ไปสวรนิพพาน ลำลึกชาติที่สอง้วไปถึงบูปกาลีได้จะไม่ลืมแม่ลืมพ่อลืมแน่แลืมปู่ย่าตายายจะไม่ลืมชาติภูมิมาติภูมิเมืงตอนจะไม่ลืมเครื่องอุปกรณ์ใช้สอนที่พ่อแม่หามาให้แล้วจะไม่ลืมตัวลืมตาและจะไม่ลืมมือสองเท้าสองทมองหนึ่งที่พ่อแม่ให้มาพ่อให้หัวใจแม่ให้มือให้เลือดน้ำเหลืองทาไมลืมนี่ตรงนี้เราลึกฉาตได้แน่นอนจะไม่ลืมพ่อแม่เลยจะเคารพพ่อแม่อย่างยิ่งยิ่งเนี่ยขอประการที่สอง แล้วเขาจะไม่เสียงพ่อเสียงแม่เลยน้ําตาจะร่วงทันทีนะนี่ระลึกชาติสองสามรู้กอดแข่งกรรมจากการจะทำของเขาว่าทําไปแล้วเนี่ยมันดีหรือชั่วประการใดตัวรู้ตัวเป็นปัจจจตังเวทิตาโพวิญยูหีไม่ใช่คนอื่นมารู้เรารู้ตัวแล้วจะทําผิดจะทำถูกจะดีหรือชั่วประการใดคุณยอมรู้ตัวอย่างนั้นนะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ไปรู้คนอื่นเขา <Okay. S 2> สามแก้ไขปัญหายัางไงในเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วมีเวรมีกรรมชะนีไม่ปฏิเสธทุกขอหาต้องยอมรับกรรม จากที่การกระทําเขาเป็นต้นแตมาีใขคอหาดมาก็เพื่ออย่างนี้เองนี่เราก็รู้แก้ปัญหาตรงนี้ไปเจออินทรอย่างนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะหลุงพ่อจะกรุณาอธิบายต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ได้เขาจะอินพร์แม้ดีมากถามเรื่องกฎแห่งกรรมต้องแปลให้เข้าใจไปแปลสูงเด็กมาเข้าใจกดแปลว่าอะไรก่อนกดแปลว่าดันค่ะกดให้ลงค่ะให้จมลงไปค่ะกดแห่งกรรม การแปลว่าการจนะทำใช่ไหมกูยโยงทําดีมันก็ดันไปทางดีคทาชั่วมันก็ดันไปทางชั่วกฎเกณฑ์วิธีการคนแล้วต้องมีกฎเกณฑ์มนุษย์จะต้องมีกฎเกณฑ์ของมนุษย์ดูด้วยการมนุษย์เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีสมบัติมนุษย์เลยคะนะแล้วจะรู้ได้ยังไงอาตมาก็ขอฝากไว้ด้วยว่าพี่น้องชาวไทยทุ่ทวดปเดี๋ยวนี้เข้าใจกดมาแล้วว่าดันคล้ายๆว่าคนจะสูงขึ้นมาเนี่มั น, ม น, น, มนค่ยกดลงกดลงแต่ทําดีมันก็ดัน ในทางดี <คะ S 2> ทําชั่วกดลงไปเลย <คะ S 2> กดลงไปชั่วเลยเนา ะ, <ค>ะเอาดีไม่ได้เลยจึงเรียกว่ากดแห่งกรรมฉะนั้น <คะ S 2> ขอเจริญพรสั้นๆหลวงพ่อขาจะมีนักวิชาการเขาว่าหลวงพ่อไหมคะว่าหลวงพ่ออธิบายไม่ตรงไม่ตรงกับที่คนอื่นเขาอธิบายนะคะเขาก็มีพูดเหมือนกัน <คะ S 2> แต่ตมาพูดกดแห่งกรรมตามเป็นจรงิง <คะ S 2> ไม่เดี๋ยวเอาหลักที่พระเจ้าสอนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดีไหมเอาหลักนี้มาพูดทําดีให้มันได้ชั่วไปสิทาชั่วได้ดีอย่างไร <_ an> เนี่เอาหลักนี้มาพูดค่ะไม่มีใครเสียงฝรั่งเสียงไม่ขึ้นแค่นัก <_ an> วิชาการจะเสียงไงก็เสียงไปเพราะวิชาการเนี่ยมันมีแต่ความรู้มันไม่มีความคิดค่ะ <_ an> มันไม่มีสติปัญญา <_ an> แต่คนที่มีปัญญาลจะคิดให้ชะลอบลงไป <_ an> คิดให้สัต้น <_ an> และให้ใหญ่จักรวาลมัน <_ an> อยากคิดยาวจนน้าท่วมภูมิบุ้งหลงเหลงให้ไม่ได้อย่าตะมาได้ของจริงกดแห่งกรรมตามเป็นจริงไม่ผิดเนี่ยเขาจะเป็ี้ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อว่าเกี่ยวข้องกันยังไงกับการแก้กรรมอ๋อสติปัฏฐานสีเนี่ยการแก้กรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้สติปัฏฐานสีต้องอธิบายก่อนหนึ่งกายานุปัชนาติปัฏฐาน 2> 2. สองเวชนานุปัชนาติปัฏฐานสามจิตตานุปัชนาติปัฏฐานสี่ธรรมานุปัชนาติปัฏฐานจะอธิบายชนิดการภาวนาสติปัฏฐานสีข้อหนึ่ง กายานุปัสสนาไม่ใช่หมายสูง <ฮะ S 2> กายยืนกายเดินกายนั่ง <ฮะ S 2> กายนอนกายเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดอีกขาเอาสติยัดเข้าไปเท่านั้นเองมีสติในการเดินควบคุมจิตนี่คือสิ่ง <ฮะ S 1> นี่คือสินได้ความเนี้ยเวทนานุปัสสนาติปทานเวทนาแปลวอะไรแปล ว, ว่าบังคับไม่ได้ <ฮะ S 2> บัญชาไม่ได้มันเกิดขึ้นเองเ <ฮะ S 2> วทนามีสมอย่างหนึ่งสุขก็เวทนา ทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามีสามเวทนาแต่สุขแปลวอะไรดีใจค่ะดีใจมากต้อง ท, งทั้งสติไวสองเสียใจมากก็ต้องสติไวสามอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ในเมื่อไม่สุขไม่ทุกข์แล้วจิตไม่มีที่เกาะไม่สุขไม่ทุกข์จิตมันก็ลอยออกไปค่ะเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยต้องมีสติเช่นคุณยอมเสียใจดีใจค่ะดีใจยกตัวอย่างให้เห็นวันนี้เขาจะเงินมาให้สิบล้าน เย็นวันนี้ยดีใจเรื่อยไม่อจะตั้งสติไว้ <kay. S 1> แล้วเหงินเนี่ยพลาดไปไม่จะมาตามแบบแผนอันตรจารทุกคังหน้าตาไม่แน่นอน <kay. S 2> แล้วยอมจะเสียใจแก้ไม่ได้ต้องเตรียมตัวนะ <kay. S 2> ก็ต้อ ง, องบอกว่ากําหนดดีใจหนอที่ลิ้นปีเนี้ <kay. S 2> ให้ใจยาว ๆ, ๆ <kay. S 2> ไวพอตัาา้ตงสติได้ไอส้สติมันจะบอกเย็นนี้มาได้เงินมันจะบอกเองนะค่ะ <kay. S 2> มาบอกว่าเย็นนี้มาได้เงินเขาไม่ได้มาให้เราจะได้เตรียมตัวไปหาที่อื่นแทน <kay. S 2> จะได้ไม่เสียใจย <kay. S 2> นี่เรียกว่าสุขกวิชนะ ดีใจต้องเปลี่ยนตัวเสียใจเสียใจทํางานเสียใจอย่าไปปล่ความเสียใจค้างไว้นี่เวทนาค่ะอย่าความฟ้างโกรธค้างคืนไว้จะมีอารมณ์ค้างตอนเช้าจะทํางานไม่สร็จนี่ปัญหาแก้ไขปัญหาค่ะเราก็กำหนดโกรธตั้งสติให้ใจยาวๆเอาสติไว้ที่ลิ้นปี่คะเอาเชือกวัดตั้งะมูกถึงสะดือค่ะแล้วก็วัดปุ่งกลางนี่เจตสิก ค, คือลิ้นปีให้ใจยาวๆความโกรธจะหายไปคนโกรธนี่ให้ใจสั้นค่ะ แล้วเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการหายใจยาวๆหายใจสั้นๆมันก็หายใจแรงหายใจยาวๆแผ่วเบาๆสบายๆเหมือนเครื่องลงสีค่ะชังๆแผ่หายน้ำมันสีข้าวมีพลังสูงแผ่ไอ้เครื่องไซเกิลไวๆเนี่ยเครื่องไม่มีพลังนะหายใจเร็วๆเนี่ยคือมโหง่ายขาดสติค่ะขาดสติมากนี่คือเวทนาค่ะเราต้องกําหนดทั้งดีใจเสียใจจะได้ไม่ต้องปลงให้มันตกและอุเบกขาเวทนาไม่สุกไม่ทุกข์ เราต้องกําหนดรู้ตัวรู้ตัวเข้าไว <c oughs> อย่าเสียท่าจิตมันจะลอยออกไปฮะที่เกาะเกี่ยวไม่ได้ก้าวไม่มีที่เกาะเกาะไม่มีที่เก็บค้น <c oughs> ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการไอ <c oughs> ้กฎแก่งก ร, รมอย่างนึงกฎหมายอย่างหนึ่ง <c oughs> กฎหมายเนี่เขาแก้คุณดื้อ <c oughs> ต้องมีกฎเกณฑ์วิธีการค้นฝาฝืนกันมากมายเพราะคนขาดธรรมะไร้คุณธรรมนั่นเอง <c oughs> อเขาจะเริญพรอย่างนั้นการทํากรรมฐานนะคะกับการทําทานเนี่ยค่ะอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะอ๋อการทํากรรมฐาน กับการทำบุญค่ะให้ทานต่างก็รีบเลยค่ะใอ้ทานนี่มันจะเออมัอพูดแต่หลักวิทาเขาบอกว่าทานศีลภาวนาใช่ไหะทานศีลภาวนาจะโกตัวอย่างให้เห็นเลยค่ะทานทําทานได้ไอ้ขโมยก็ทําทานได้มันให้ทานได้แต่มันไม่มีศีล น, น่ะค่ะไม่มีศีลเนี่ยใครก็ทําทานได้ค่ะแต่มันมีปัญหาอยู่อันทานศีลภาวนาก่อนที่จะไปทําทานก็ต้องรับศีล ต้องมีสินก่อนยกตัวอย่างให้คุณยอมเห็นทานไม่มีศินเหมือนทานโยมไปเรือเรือพายสินค้าคไปเรือพายเนี่ยถ้ายอมมีศินขึ้นมาเอกตั้งสติไว้การทําทานยอมะได้บุญเหมือนทานของสินค้าโยมไปรถยนต์ขึ้นนี่ทานนั้นสูงขึ้น ถ, าถาน้าเราเป็นสินไปเร็วขึ้นถ้ายอมมีภาวนาด้วยทานเขายมคือสินค้าจะไปขึ้นบิน อ๋อ oh, นี <okay. S 2> นน่ี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน <Okay. S 2> ในมาเปนชนีแล้วทานกับศีลและภาวนามันยิ่งต่างกะลิปเลย <Okay. S 2> คนเราไปให้ทานก่อนผู้จ่าสอนมาทานการให้ <Okay. S 2> แต่ให้กันเนี้ยแล้วก็ช่วยกันเนี้ยแต่ไม่มีศีลค่ะ <Okay. S 2> ให้ไปช่วยไปอาดไปติดคุกก็ได้ขาดสติขาดศีลสามารถไปทำควันทั่วได้ <Okay. S 2> ต้องมีสติต้องมีศีลมีธรรมและวก็มีความดีคือภาวนา เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานกับการให้ทานมันยิงต่างกาันเหมือนกันไม่กันแต่การจํากรรมฐานเนี่ยเป็นจุดหมายของของคนคถ้าคนเรามีเจริญกรรมฐานปั๊บทานมันจะมาเองทานบริสุทธิ์ทานที่เราให้การเนี่ยส่วนมากไม่มีศีลไม่มีภาวนามันก็เป็นการทานแลกเปลี่ยนทานไม่จริงถ้าคุณโยมมีภาวนานั่งกรรมฐานพับจะเกิดเมตตาก่อนได้อันดีสงฆ์เมตตาก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็จะอยากจะช่วยเหลือคนโน้น อยากจะให้คนนี้แล้วไม่หวังผลตอบแทนด้วยนี่เรียกว่าภาวนาสูงสุดเนี่ยแต่เป็นการบุญให้ทําบุญทุนทานมันยิ่งต่างกันก็ไอภาวนาต่างกันตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเรานั่งภาวนาใช่ไหมทานมีสองประเภททานที่ให้แลกเปลี่ยนแต่ทานชั้นสูงจากนั่งกรรมฐ า, านเนี่ยทานไรรู้ไหมไม่ต้องเสียเงินค่ะเสียสลากความชั่วจะตัวได้ น, นี่ ค, คือทานเชื<ร>้อสล<ร>าก ค, คนที่ทําทานเนี่ยมันเสียสลาความชั่วไดีไหม ไม่ได้ไงทรงตีความไม่เด็กเข้าใจทานที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้สตะค่ะไม่ต้องใช้เงิ น, นแล้วทางนางกรรมฐานนะ่ะเข้านะเขาก็จะรู้ตัวว่าสามารถจะกําจัดความชั่วค่ะออกจากตัวได้นี่พุกยังตามๆไม่ต้องเอาบริเลดหมดละเอาแค่ความชั่วในตัวเองออกไปได้ไหมเขาออกไปได้เป็นทานชั้นสูงเช่นยกตัวอย่างให้เห็นงานสอบพ่องานสอบแม่เนี่ยเอาเล่าไปกินกันที่งานสอบแล้วมาเป็นอะไรอะ่ะ เราเล่นการพนาหน้าศพแม่เลยได้เหรอ <คะ S 2> แล้วก็พระกําลังสวดเนี่ยแล้วก็ไปเรียนหน้าศพแล้วไปทําทานอย่างนี้ได้บุญไหม <คะ S 2> ไปทําบุญต้องละบาป <คะ S 2> ไปสร้างความดีต้องละความชั่วจึงภาวนาสูงสุดเลยไม่ต้องใช้สตางเลยมันก็เกิดเมตตาเกิดช่วยเหลือกันไม่หวังผลตอบแทนจะเป็นการใดตรงนี้ไป็นจุดหมายําคัญเพราะนั้นสรุปว่าทานทเฉยๆกับภาวนาภาวนาสูงกว่าโดยไม่ต้องใช้สตังเลยนี่ขอเจริยนพรอย่างนั้น สงพ่อคะอีกคําถามหนึ่งค่ะคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยจําเป็นไหมว่าก็จะต้องเริ่มการทํากรรมฐานครั้งแรกกับพระหรือว่าสามารถจะนั่งทําได้ที่บ้านคะอ๋อเขาใจพรดีมากจะนั่งทำทํากรรมฐานที่บ้านนะยหรอกค่ะต้องมาฝึกก่อนให้รู้แนวค่ะว่าทําอย่างไรบางคนเนี่ยไปทํากรรมฐานที่บ้านค่ะแล้วก็ทําังสือแล้งค่ะไม่ได้ผลเลยไม่มีครูค่ะเหมือนอย่างยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเรียนมหนึ่งที่มหกอ่ะไม่มีครูได้ไหมค่ะต้องมีครูค่ะ แต่ก็มาฝึกรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ทําที่ผ่านได้ค่ะไม่ขัดข้องเลยค่ะตอนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกเลยนะไม่รู้อะไรเลยทํากรรมฐานดีกว่าคนที่อ่านหนังสือออกนะคะไม่รู้อะไรเลยดีมากถ้ารู้นอนรู้นี่มันรู้มากเกินไปมันไม่รู้จริงค่ะมันรู้มากเดี๋ยวนี้คนรู้มากรู้จริงหายากรู้มาขังง่ารู้จริงต้องทําได้ค่ะรู้จําต้องท่องด้รู้แจ้งต้องคิดกอดนี่คือกรรมฐานไม่จําเป็นเลย คนอ่านถือไม่ออกก็ดีดีนักแล้วคือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันปุดขึ้นมาเองเลยก็จายชัดขึ้นมาเลยค่ะมันมีประโยชน์เหมือนกันแต่การทําที่บ้านกัรทำที่วัดมันต่างกันค่ะเรายังไม่เคยฝึกเลยอ่ะยังไม่มีฐานเลยนะต้องมาวัดก่อนค่ะมาฝึกให้พระชังสอนค่ะวัดไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวัดอังพวนหรอกวัดไหนเรียกสอนก็ไปพอแน่แนวเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําที่บ้านถ้าสงไัยก็ต้องไปถามพระ เข้าวารียนหนังสือกับไอ้พวกพัฒนาจิตมันต่างกันค่ะต้องถามค่ะก็เป็การสอบอารมณ์ด้วยว่าอารมณ์ไปแค่ไหนแล้เดี๋ยวถ้าผิดทางเขาจะเรีนพรอยอย่างนั้นค่ะคนที่ทํากรรมฐานนะ่ยค่ะจะแนะนําว่าอายุช่วงไหนไหมคะหรือว่าทําได้ตลอดเวลาอ๋อกรรมฐานนี่ไมันําเป็นค่ะเมื่อสมัยพุทธกาลนะเจ็ขวบเสมอเป็นพระรหันต์แต่มาในสมัยนี้จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะถ้าเขามีศรัทธาและเขารู้เรื่องกรรมฐาน เขามาด้วยศรัทธานได้ผลนะไม่จำเป็นต้องอายุเท่าไรถ้าเขารู้เรื่องดีเข้ามาเนี่ยมาด้วยศรัทธาแล้วก็จะเป็นอายุเท่าไรก็ได้9กขวบสิบขวบก็ทําได้ดีพ้นพ้นไปแต่คนแก่ขนาแกแล้วแม้เอาไหนก็มีแกแกอะไรแกไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วแม้เอาไหนเลยถ้ามาทํากรรมฐานจนแกอินทรียมังหย่อนยานแล้วไม่ได้พ้นเด็กสู้เด็กไม่ได้เด็กําลังดีกําลังอินทรีย์แกหน้า ถ้าเขาเกิดมีศรัทธ า, าเขาก็ใจอย่างนี้เขาทําได้ผลไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไะเรียนถามว่าสมัยนี้เนะี่ยมีคนนิยมที่จะไปทัวนะคะไปทัวสามวัดเก้าวัดนะคะนิยมกันมากเลยหลวงพ่อคิดเห็นยังไงคะอาตมาว่าดีเแมนกันดีสําหรับผู้ที่ไปเชีย่ยวค่ะทัวบุญค่ะบุญวัด น, น้นบ้างบุญวัดนี้บางค่ะแล้วกลับไปนั่งทะเลาะกันค่ะมีเยอะแยะเลยแล้วก็ทัววัดทุกวัดเยอะค่ะมาที่นี่มากินข้าวอย่างเดียวค่ะอาตมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงให้ธรรมะ ก็ดีอย่างสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าคนที่เขารู้แล้วเขาเขา้เขาใจแล้วเขาไม่ไปทัวบุญแล้วเขาต้องการเอาบุญไว้ในใจของเขาออย่างไปทัวบุญเนี่ยตามวัดก็ดีมีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับไปเชี่ยวไปศึกษาตามวัดแต่เสียใจด้วยคนทัวบุญไปหาเรื่อง ก, กับพระตามวัดใไปตําหนิไปตำหนิติตเตียนวัดโน้นบ้างวัดนี้ไม่ดี